วันนี้จะได้กล่าวในเรื่องสิงคาโลวาทิสูตรต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายหลังจากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักการครองตนแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในด้านต่างๆมาถึงจุดสุดท้ายก็ทงสรุปด้วย ให้ปฏิบัติธรรมะสี่ประการเป็นลักษณะเพื่อให้เกิดผลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในสังคมโดยทรงแสดงว่าถ้าหากโลกขาดธรรมะตั้งสี่ประการนี้ชาวโลกก็จะดำรงอยู่ไม่ได้แม้แต่มารดาบิดาเองก็จะไม่อาจได้รับความเคารพนับถือสักการะบูชาจากบุตริดา ธรมาตั้งสีข้อนี้จึงถือว่าเป็นการแสดงธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของคนในแง่จิตวิทยานั้นในแง่จิตวิทยาและก็แง่สังคมนั้นเราถือว่าสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะคนนั้นก็มีพื้นฐานที่ต้องการความรักได้รับความรักต้องการความม บ, บุญความปลอดภัยต้องการมีที่พึ่ง ความนักอาศัยเป็นจุดยุดเหนี่ยวทางจิตใจและต้องการได้ฐานะการยอมรับนับถือจากสังคมเป็นต้นเพราะฉะนั้นความต้องการของคนในด้านนี้จึงมีการแสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆอย่างจะเห็นได้ว่าแม้ในกรณีของเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ้าประเจีดยพิสมน์พระเครื่องอะไรก็ตามที่เราแสวงหากัน ส่วนมากก็เป็นการแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของคนที่เรากล่าวโดยสรุปไอ้พวกเครื่องรางของขลังทั้งหลายนี่ก็คือเมตตามหานิยมกงกพันชาจรีแล้วก็แคล้วคลาดนั้นก็คืออะไรก็คือต้องการให้เกิดความรักและก็ได้รับความรักความอบอุ่นความปลอดภัยดังที่ในแง่จิตวิทยาแล้วก็แง่สังคมเขาพูดไว้นั่นเองพระพุทธศาสนาสรุป ความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเอาไว้ว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์คือจะต้องได้ต้องการให้ได้ความสุขในฐานะนั้นๆและสามารถบำบัดความทุกข์ได้ในจุดนั้นเช่นเดียวกันแต่ความสุขและความทุกข์ดังที่เคยทราบกันแล้วว่ามันเป็นผลแม้การได้รับความรักความอบอุ่นความปลอดภัยมีจุดจิตเหนียวทางจิตใจการได้ฐานะทางสังคม หรือว่าเมตตามหานิยมคงกับพันชาตรีและแคล้วคลาดก็ตามมันล้วนแต่เป็นผลทั้งหมดเพราะงั้นทางศาสนาก็แสดงเหตุเอาไว้ในที่นี้ก็ทรงแสดงสข้อในสมัยหนึ่งเมื่อดินเดนค า, ารเนกีก็เ ข, เขียนหนังสือวิธีชนะมิตรได้จูงใจคนออกเผยแพร่ทั่วโลกในเมืองไทยเราก็มีการเขียนเรื่องพุทธวิธีครองใจคนออกมา โดยใช้หลักธรรมะเพียงสี่ข้อเช่นเดียวกันธรรมเหล่านี้จึงรู้กันในองค์ธรรมทั่วไปว่าสังขะวัตถุ4ประการคำว่าสังขะวัตถุนั้นแปลว่าเรื่องรืเหตุที่เป็นการแสดงออกซึ่งความสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกันหลักการสงเคราะห์ท่านแสดงแสดงโดยสรุปออกมาเป็นสองฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งก็เป็นอามิ t h สงเคราะห์คือสงเคราะห์ด้วยรูปวัตถุสิ่งขอ ง, งต่างๆ และทำรรมาสงเคราะห์ก็เป็นการสงเคราะห์โดยการปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่บุคคลแก่การละแก่เทศะตลอดถึงการให้การแนะนําสั่งสอนกันเป็นต้นสังหาวัตถุจําแนกออกเป็น4ประการข้อแรกก็เริ่มด้วยฐานเจริญปฐมธรรมะชั้นนี้เป็นธรรมะในการครองเรือนนะฮะธรรมะระดับการครองเรือนทานที่เน้นไปจึงเน้นไปในรูปของการให้ เพื่อสงเคราะห์กับการให้เพื่อบูชาสองด้านการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์นั้นเป็นการแสดงออกซึ่งอัตยาศัยไมยตรีมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นที่เราพูดกันถึงเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในสังคมไทยคือความมีน้ำใจต่อกันในกรณีที่บุคคลอื่นประสบความพิบัติเดือดร้อนขาดแคลน อีกฝ่ายหนึ่งที่พอจะให้จะสงเคราะห์ได้ก็ให้ก็สงเคราะห์คนเหลดนั้นหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมีของพิเศษแปลกแปลกประหม่ดขึ้นมาก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหนึ่งขาดแคลนแต่เป็นการแสดงความมีน้ำใจคือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้วันก่อนนี่มาไปทางเมืองนนไปเห็นบ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งท่าน ทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็จัดของลงถาดให้คนนำไปแจกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกลยเคียงยังประทับใจยอยู่เออว่าเอกลักษณ์ไทยยังมีอยู่ใกลๆ้ๆพระนครนี่เองเราแสดงว่าลักษณะเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของไทยที่เราได้รับสืบทอดกันมาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งเป็นการให้เพื่อ บูชาคุณความดีของท่านหลักนั้นดึงในแง่ของผู้ครองเรือนก็คนที่จะต้องบูชาคนแรกก็คือพ่อแม่ดึงเป็นพระหรันภายในครอบครัวการให้เสื้อผ้าให้อาหารให้ความสุขกายสบายใจแก่พ่อแม่ก็สงเคราะห์ขัข้นในส่วนนี้ตลอดถึงการเสียภาษีให้แก่รัฐการให้แก่สาธารณกุศลต่างๆเป็นต้น สรุปว่าเป็นเรื่องของการให้ที่ไ้ขอบขายในการให้นั้นได้พึงสังเกตว่าเมื่อตอนที่ว่าด้วยทานคือในอนุบุปิกาานนี่เคยไดเรียงมาแล้วว่าก็าเป็นการให้ไปตามลำดับมีน้อยก็ให้ไปตามน้อยถ้าไม่ให้อะไรเลยมันก็ไม่ดีแล้วก็ให้ด้วยศรัทธาให้ของที่ได้มาในทางที่ชอบทำวิเคราะห์ใครครวนแล้วจึงให้ ก็มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับโดยเลือกบุคคลที่ควรรับแล้วก็สิ่งที่ควรให้พอมาถึงจุดหนึ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปคือไม่ได้ออกมาในรูปของวัตถุเป็นแต่ว่าเป็นธรรมสังกหาะคือเป็นการสงเคราะห์โดยธรรมคือในตอนสุดท้ายสองข้อเนี่ยข้อแรกก็เป็นอภยทานข้อที่สองก็เป็นธรรมทานก็เป็นชุดการให้เหมือนกัน การให้อภัยทานนั้นหมายถึงว่าการไม่ถือโกรธโดยอาศัยความอดทนบ้างความเมตตาเป็นพื้นฐานบ้างการไม่อยากจะเอาเรื่องอาราวกับคนอื่นเป็นต้นบ้างซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จาเป็นจะต้องมีในการครองเรือนเนื่องจากการครองเรือนและการเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายนั้นคนมันก็มีพื้นอะไรที่แตกต่างกันเ้วยเรือ แต่ถ้าเราจะเอาอะไรให้ใครเป็นไปตามที่เราต้องการไปหมดมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บ า, บางเรื่องจึงต้องใช้ความอดทนแต่ถ้าอดทนแล้วยังเก็บขังความไม่พอใจเอาไว้เราก็ร้อนท่านก็สอนให้ให้อภยัยไม่ว่าใครจะล่วงเกินอย่างไรก็ตามแล้วก็ให้อภัยเขาแต่ต้งนี้ัอนนั้นไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันเรื่อยนะ นในกรณีใดที่ควรให้อภัยกว่าให้อภยัอภยไม่ใช่ว่าลูกทําผิดกี่ครั้งให้อภัยกันหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้กรณีบางอย่างนั้นก็ควรจะชี้แจงทำความเข้าใจหรือว่าลงโทษตักเตือนก็นตามสมควรแก่กรณีแต่ก็เป็นการกระทําที่ยุติโดยเหตุด้วยผลไม่ใช่เป็นการกระทําด้วยอารมณ์พวกนี้ก็จัดเป็นพวกอภัยทานมันมีการกระจัด ไม่ใช่ขจัดความโลภแต่ขจัดความโกรธแต่อย่าลืมว่าไอ้เรื่องความโลภความโกรธความหลงนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทานที่เป็นวัตถุส่วนมากจะขจัดความสนิทความหวงความเจ้าดายแต่บางทีก็ขจัดความโกรธอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ให้ฟังเมื่อหลายวันมาแล้วว่าไอ้ความหวงบางอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะสนิทแต่เพราะโกรธเช่นว่าเราอาจจะไม่ชอบ ว่าน้องสะพ้ายหรลุงสะพ้ายอะไรนี่ก็ไม่สงเคราะห์หลานก็ไม่สงเคราะห์หลานในเกลียดแม่มันก็มาเลยไม่สงเคราะห์หลานมันเป็นความสนิทที่เกิดขึ้นเพราะโทสะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมัจจริยะหรือว่าเกิดขึ้นเพราะโลภะอภยทานจึงเป็นการขจัดกิเลสประเภทโทส ะ, ะส่วนประเภทธรรมทานหรือธรรมสังขารคือการสงเคราะห์โดยธรรมนั้น ในชั้นหนึ่งก็คือการปฏิบัติโดยนิย่ที่กล่าวแล้วคือเป็นการสงเคราะห์ในด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของต น, นหน้าที่ของพ่อแม่กับลกูกหน้าที่ครูบาอาจารย์กับสิสามีกับพันยาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นธรรมสังฆะเป็นการสงเคราะห์โดยการปฏิบัติธรรมชั้นหนึ่งก็คือการ แนะนำการพร่ำสอนการตักเตือนการให้สติการให้ข้อคิดซึ่งบางครั้งบางคราวก็มันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะฮะแต่เรามองการธรรมสังกหาที่พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์พุทธบริษัทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทําทุกรูปแบบแล้วก็ทําทุกอิริยาบถนะฮะจะเดินเทศก็มียืนเทศก็มีนอนเทศก็มีนั่งเทตก็มีจะทําทุกอิริยาบถและบางอย่างก็เป็นข้อเสนอแนะสั้นๆแต่นั่นเอง ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมีรูปลักษณะว่าจะต้องสอนเ่าจริงก็จังอะไรหลักการสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเขาเรียกว่าอุปสินนักถาแปลเป็นไทยก็คือจับข่าวคุยกันคุยคุยกันแล้วเราก็ค่อยสอดแทรกคือสร้างความเป็นมิตรขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆสอดแทรกความคิดความเห็นเข้าไปในเรื่องที่กําลังสนทนากัน ก็ไม่จะกลายเป็นกิจลักษณะอะไรเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ติดในรูปแบบต้องขึ้นธรรมะม ต, ต้องอาราธนาต้องว่ากันเป็นพิธีต้องมีการเทศอะไรแต่อะไรก็ไม่จําเป็นอะไรอย่างนั้นแต่แบบนสนทนาการนี่แหละแต่ว่ามุ่งหมายที่จะให้เขาได้รับประโยชน์จากการฟังบางครั้งบางคราวก็เป็นการกล่าวถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตสั้นๆบางครั้งก็เสนอแนวให้คิดบางครั้งก็เล่านิทานประกอบ ถึงบางทีก็ปลูกนิทานขึ้นมาเองก็ได้เพื่อจะให้สติให้เขาได้นึกถึงระการจะไปสอนอะไรตรงๆนี่ว่าที่จริงมันเป็นเรื่องยากมากเลยเป็นเรื่องยากเมื่อก่อนนิเทศที่วัดเองเนี่ฮะแต่ว่า น, นานมาแล้วนะไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่บริษัทสมัยนี้คือเทศใช้คําว่าเราเอาว่าอะไรนี้ไม่ได้โยมโกรธหาว่าสอนครับพระต้องระมัดระวังถ้อยคํามากที่สุดเลย คือต้องเทศแบบอธิบายธรรมะตรงๆเลยไม่ได้พูดใช้คำให้คนฟังมีความรู้สึกว่าเราสอนเขาพอถ้าเขามีความรู้สึกว่าเราสอนเขาแลแ้วแหมมาสอนเราขึ้นอย่างงั้นมานะขึ้นเลยเลยก็ไม่ต้องฟังเทศกันแล้วทีเนี้ยกิเลสมันขึ้นมาปะทะไปหมดเลยธรรมะไม่เข้าไปคนเราก็มีปกติเป็นอย่างนั้นนะมีความรู้สึกว่าตนเองก็มีความสมบูรณ์อยู่ ต้องการให้ใครมาเตือนอะไรตรงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าแม้ในหมู่พระเราเนี่ยมีหลักเขาเรียกว่าปวารณาคือวันขึ้น15คหาคำเดือน11นะฮะที่เราปรวารณากันไพเราะมากนะฮะทอยคำช้เนี่ยข้าพเจ้าขอปรนนาต่อสงฆ์ท่านได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีรังเกียจสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าก็ ข, าขอให้ท่านเมตตากรุณา ช่ ว, ว่ากล่าวตักเตือนพระพิจาด้วยพระพเจ้าเห็นว่าเป็นความผิดก็จะได้ทําคืนจะได้แก้ไขก็ขว่าไปอย่างนั้นเองแหละก็เตือนลองเตือนดูบางทีนะฮะบางทีบางองค์พอออกมาจากโบสเตือนอะไรหน่อยมันก็โกรธแล้วว่าไปองนั้นเองอ่ะมันรูปแบบเฉยๆนะฮะมันรูปแบบเป็นพิธีเฉยๆก็มีปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไร พระโมคาัลลานะเองก็เคยไปชุมพระสงฆ์ชี้แจงให้เข้าใจว่าคนเราว่ากันตามความเป็นจริงนี่คือจะขอร้องให้คนเตือนหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเรามีพื้นอัธยาสัยที่เราเบาลีใช้คำว่าเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายคนอื่นก็พร้อมที่จะว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าหากว่ามีมอัธยาศัยกระด้างย่อริงหวดดีถือตัว มากมากอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงปราวนาให้ใครเตือนใครก็ไม่กล้าเตือนครับแต่นั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือก็หาอุบายวิธีต่างๆเหล่านี้ในวินัยเองนะฮะพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ในกรณีที่จะให้สติผู้หลับผู้ใหญ่คือให้เตือนได้แต่ก็ทรงบางวิธีเอาไว้พระพุทธเจ้ารู้กิเลสมนุษย์ดีเขบอกว่าต้องหาวิธี ทรงแนะอุบายวิธีต่างๆไว้เช่นสมมุติว่าท่านพูดเพลออะไรเราก็เปรย์ๆขึ้นหรือว่าซักถามดึงท่านออกนอกเรื่องไปไม่อยากให้ท่านผิดต่อไปเนี่ยเพื่อตัดประเด็นนะหมายความว่าท่านเริ่มจะพูดผิดเราก็ซักถามตัดประเด็นออกไปเจียโดยท่านเองก็ไม่รู้ว่าเราเตือนนะฮะคือเรียกว่าเตือนก็เตือนนะฮะแต่อย่าให้ท่านรู้ว่าท่านถูกเตือนเพราะว่ากิเลสมานะมันก็เกิด ดังนั้นวิธีต่างๆที่เป็นธรรมสังหะอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะใช้คุยการเล่านิทานแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นสอบถามแล้วก็สอดแทรกความเห็นเข้าไปก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในเหตุผลนี้ก็สรุปรวมในคำว่าฐานก็สรุปว่าถามก็มีอยู่สองชั้นนะฮะชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องสละวัตถุสิ่งของ ด้วยการสงเคราะห์ในด้านนี้ว่ชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องวัตถุสิ่งของชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันเท่านั้นเองนั่นก็คือพื้นอัธยาศาัยมัยตรีที่ปรารถนาหวังดีให้เกิดผลประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งข้อต่อไปก็คือปิยวาจาคำนี้ใช้แปลกนะฮะปิยวาจาในใช้แปลกเพราะปกติแล้ว ถ้อยคำทรงนี้ท่านจะแปลว่าไพเราะอ่อนหวานแต่แท้จริงถ้าไพเราะอ่อนหวานท่านใช้คำว่ามะทุระหวาจาซึ่งน้ำพึ่งะฮะมันหวานมะทุน้ำพึ่งว่าจานั้นบางชุดก็ส่งแสดงในกรณีของการพูดตอนนี้ใช้คำว่าวาจานะฮะไม่ใช้คำว่าพูดก็ใช้คำว่าคูถาพาณีนะก็คือพูดปากเหม็นนะคูถกก็คือพูดปากเหม็น พูดด่าพูดใส่ไรด่าว่าสุประมาทคนอะไรตัวนี้แล้วก็มัทุพานีปากหอมคือพูดหอมพูดหวานพูดแบบน้ําพึ่งแต่ไม่ใช่ภาษาดอกไม้ของทางราชการนะฮะอย่าไปหวังอะไรภาษาดอกไม้เป็นภาษาหวานถือหมายความว่าฟังแล้วหวานหูสบายหูสบายใจแต่ภาษาตรงนี้มันมีปัญหาในการใช้อ่ะ มันหวานจริงหรือเปล่าคือว่าไอ้เสียงมันหวานตั้งแต่ยงอาจหวานในใจอาจจะเปรี้ยวก็ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้คํานี้บ่อยแต่เมื่อเกิดไปใช้คําเนี่ยคําเราจะเห็นว่าใช้ในรูปเวน้นในชุดสี่สี่ข้อที่เราเรียนเนี่ยในสัมมาวาจา ก, ก็สี่ข้อนั้นก็คือใช้ในรูปเวน้นเว้นจากคําเท็จเว้นจากคําส่อเสียดเว้นจากคําหยาบเว้นจากคําเพื่อเจิดเดี๋ยวไหลแล้วก็ มาพูดคำที่เป็นคำจริงคำไปเราะคำสมานสามาคัคคีคำที่ไม่หยาบหรือใช้คำว่าไม่หยาบแล้วก็คำที่มีประโยชน์ต่ตรงนี้ใช้ปิยะปิยะวาจาแปลว่าวาจาอันเป็นที่รักนะวาจาอันเป็นที่รักไม่ใช่วาจาอ่อนหวานเป็นการกระชับในเชิงปฏิบัติเลย พระะวันเฉอๆมันในปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลปากปลาศัยใจเชื่อดคอันสารพัดวาจานะบางทีมันฆ่าคนได้นะคำบางคำนะอย่างคำของนางวาลีในเรื่องพระภัยนี่จะพลิพ้วชิวหาเป็นอาวุธสังหารบุตรเจริงกายอาสันโอ้ตายเลยอุศเรนกระอักเป็นโลหิตเลยแใช้ถ้อยคำเสียดแทงใจเวลาใช้คำเราจะเห็นว่าเราเห็นทางปฏิบัติ วาจาเป็นที่รักนั้นหมายความว่าเราพูดเขาด้วยความพูดกับเขาด้วยความรักความหวังดีเรามีความรักต่อเขาแล้วก็หวังดีต่อเขาซึ่งแน่นอนว่าคำในลักษณะนี้ไม่จำเป็นจะต้องหวานเสมอไปแต่เป็นการสะท้อนจากใจมากกว่าที่จะสะท้อนออกมาทางวาจาสแสดงให้เห็นทังว่าวาจาอาจจะเกรียบกราดดุ ด, ดา่าไปบ้างแต่ว่าโดยพื้นใจจริงๆแล้วรัก ป, ปรารถนาดีหวังดีก้อนนี้พระบราณอาจารย์ได้ยกตัวอย่างบุคคลขึ้นมาเป็นนิทานนะฮะดูมานานแล้วเคยล่าฟังทีหนึ่งว่าลูกชายถูกแม่ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวแกก็ยังจะไปเที่ยวแม่พูดไปพูดมาไม่ฟังแม่ก็บอกเออไปถ้ามลายปป่ามึงผิดได้ตายเลยหยาบนะฮะว่าจรยิงคำมันหยาบ เมื่อลูกชายเดินไปก็ไปเจอควายป่าค่ะจริงๆแกกน็นึกว่าเออแม่แช่งมันตรงกันแลแต่กน็นึกว่าแม่จะแช่งจริงหรือเปล่าก็ยืนนั่ที่ฐานใจในตรงนั้นว่าถ้าแม่พูดคำพูดนี้ด้วยปากจะขอให้แกรอดพ้นอันตรายแต่พูดด้วยใจก็ขอให้แกตายเพราะว่าแกไม่เชื่อฟังคำของแม่ก็ปรากฏว่าควายป่ายืนมองอยู่หน่อยนึงก็หลบไป นี่แสดงเห็นอะไรแสดงว่าไอ้ตัวคําพูดจริงๆนั้นยังเป็นปิยวาจาอยู่นะถึงด่าขนาดนั้นนะเพราะอะไรพระพูดด้วยความรักความห่วงใ ย, ยความหวังดีปรารถนานดีก็กลมกลมครูห้ามปรามก็ว่าไปตามเรื่องแต่ว่าโดยเจตนาจริงๆแล้วเป็นความรักหวังดีต่อเขาอย่างพระพุทธเจา้าเองนั้นเราไม่ชื่อว่าเราไม่พูดความรักนะฮะเพราะว่าความรักมันใกล้าราคา เวลาเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราไม่พูดพระพุทธเจ้ามีเมตตาเราไม่พูดนะก็รเมตตามันใกล้ราคะเดยเราพูดว่าการุณาพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาเพกรุณานี่มันไกลมันไกลกิเลสไกลกว่าเมตตาม <c oughs> เมตตามันแฉลบไปแฉลบมาบางทีเราว่าเมตตามันเป็นราคะดือด้อๆนี่ไงแต่ถ้าการุณาแล้วมันโดดเด่นไปเลยโดดเด่นไปเวลาพิกษุกกระทำผิด หือมาฐานในการปกครองของพระพุทธเจ้ารับสั่งเฉียบขาดมากนะฮะดูก่อนอานนท์เราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ก็อยู่ไปใครไม่มีสาระออกไปเอาอย่างนั้นเลยคือเอาอย่างนั้นเลยคล้ายๆก็เฉียบขาดเลยเกินพระดํารัสเนี่ยหมายความว่าพระที่บวชมานี่ต้องอดทนทุกข์ยากถูกดุถูกตำหนิถูกลงโทษเดี๋ยวกําหนดในเงื่อนไขาทางวินยัยก็เรียกว่าทันตกรรม ล, ลงโทษเยอะเลย ต้โทษเยอะเพื่อดัดสันดานนะเพื่อฝึกปลือบุคคลเหล่านั้นแต่เป็นการทำเป็นการทําด้วยความรักเหมือนกระช่างเหล็กตีเหล็กถึงตีแรงๆนะกระตีด้วยความปรารถนาที่จใจเหล็กมีคุณค่าขึ้นแต่ว่าการทําช่างที่ทําอย่างอื่นก็เหมือนการทุบแรงๆฟันแรงๆตีแรงๆแต่ทั้งหมดเป็นเจตนาที่จะเสริมค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการตีทิ้งหรือตีทํำลาย การวาจาที่เป็นปิยวาจาจริงๆ จ, ง จ, งจึงตัวประเด็นสําคัญอยู่ที่ใจนะฮะไม่ไม่ได้คํานึงถึงทอยคําที่พูดเท่าไรแต่อย่าลืมมาถ้าใจเรารักเราหวังดีเราไม่โกหกเขาหรอกเราไม่โกหกเขาเราไม่ยุโยงให้เขาแตกแยกกันเราไม่ใช้ไอ้คำหยาบที่ว่าให้เขาเจ็บใจหรือว่าเป็นการสบประมาดดูถูกดูห ม, มิ่นเขาถึงแม้จะหยาบไปบ้างหนักไปบ้างแต่ก็แบบ พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกครูบาอาจารย์ตำหนิตักเตือนสิทธิ์หลักเหล่านี้ก็คือหลักเป็นการปฏิบัติในรูปของหน้าที่พื้นฐานที่ควรกำหนดจดจาจริงๆก็จึงอยู่ที่ใจที่ปรารถนาดีหวังดีต่อคนนั้นอาจจะหนักอาจจะแรงไปบางทีอาจจะถึงศบประมาทก็มีนะฮะถึงศบประมาทคือคนบางคนมันเข็นไม่ไหวนะอย่างนักเรียนบางคนเนี่ย เราเขียนไม่ไหวจริงๆเลยเราพูดเราปรบเราเตือนเราว่าอะไรไม่ไปเลยเรียกว่าลากไม่ไปโบราณก็เรียกว่าลากไม้เอาปลายไปมันสาหาัสส า, ากันเลยเกิดแต่ว่าเราก็ต้องการให้แกได้ดีบางที่เราอาจใช้คำํำศพอธบางทีมันก็ได้ผลแต่เสี่ยงครูบาอาจารย์ในเสี่ยงมากเหมือนกันฉันบอกว่าไ อ, อ้หน้าอย่างคุณนี่ชาตินี้เอาดีไม่ได้บางทีแกฮึดสู้ขึ้นมาแกไปได้เหมือนกันนะ ซึ่งเราก็เสียงนิดหน่อยแต่ด้วยวิญญาณครูนี่เราทำได้นะถ้มามันจนแตกงมาจริงๆเราทำได้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ดีเท่านั้นเองเออลักษณะของวาจาที่เป็นปิยวาจาจึงมีพื้นที่เราจะต้องพิจารณาเป็นฐานสำคัญเอาไว้ก็คือองค์ประกอบหลักนะองค์ประกอบตัวหลักจริงๆคือประโยชน์ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพูดถ้อยคําเช่นนั้นและประโยชน์ที่จะได้แก่คนพูดนะแก่คนที่เราพูดด้วยไม่ใช่แก่เราประโยชน์จริงๆต้องเกิดขึ้นแก่คนที่เราพูดด้วยเพราะเป็นการปฏิบัติธรรมะต่อคนอื่นแล้วก็องค์ประกอบที่รองลงมาก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจะเป็นเรื่องดีดูกาละเทสะหน่อยนะฮะเรื่องการละเทสะนี่ต้องดูกันหน่อยสนใจถึงผู้ฟัง บางครั้งก็อาจจะชอบใจบางครั้งก็อาจจะไม่ชอบใจก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์แก่เขาเกิดประโยชน์แก่เขาก็ต้องถึงดูการะแล้วก็พูดถ้อยคําเช่นนั้นได้พระเจ้ญญารับสั่งเตือนว่าบุคคลผู้ให้อวาทนะฮะบุคคลผู้ให้อวาทแนะนําสั่งสอนคือคือให้คนทั้งหลายดูคนที่ให้อวาธแนะนําสั่งสอนพร่ำสอน ข, ข่มขีกราวาจา่า ข, ข่มขีดูดาตําหนิอะไรทั้นั้นเนี่ย ให้เหมือนกับคนที่ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ตึ้งบางครั้งอาจอาจฉุดกระชากลากพาไปก็ได้แต่ว่าเป็นการฉุดกระชากลากพาไปเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติในกรณีของผู้ฟังต้องคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ในในกรณีของผู้ผู้ก็คิดว่าเรามุ่งที่จะให้เขาได้ทรัพย์สมบัติมีค่านี่ก็ถือว่ายังอยู่ในขอบข่ายของปิยะวาจาไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ในชั้นของการปฏิบัตินั้น เดีย๋ยวจะเห็นได้ว่าทำยังไงถึงจะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้คืออย่าใช้ตอนโกรธก็แล้วกันเพราะตอนโกรธนี่บางทีนใจมันใจมันไม่ค่อยดีอ่ะใจไม่ค่อยดีคืออาจจะมุ่งร้ายสอดแทรกอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นเวลาจะถึงกับใช้วาจาในลักษณะขมขีขมคูดังกล่าวเนี่ยฮะ ก็ควรจะพูดในขณะที่ใจสงบขอทุกค์นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องชี้แจงในเชิงเหตุผลด้วยไอ้คนรับรู้เรื่องถ้อยควาวาจาในปัจจุบันบางชีนี่ก็พูดกันยากนะพูดกันยากก็ฟังกันไม่เคยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ดังนั้นคนที่พูดจึงต้องอยู่ในสภาพพร้อมจะให้เหตุผลเขาด้วยเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติจริง นี้ก็คือหลักที่ก่อให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมขึ้นอีกประการหนึ่งเรื่องวาจาเป็นเรื่องใหญ่นะฮะท่านทั้งหลายจะพบว่าเมืองไทยเรานี่มีโครงมีภาษิต ท, ที่เกี่ยวกับวาจานเยอะแยะไปหมดเลยถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรถถอยรอยจิตพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจาเลยนีรียก ว, ว่าออยตาหวานลิ้นในสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายซึงก็ ในกรณีนี้นะฮะในกรณีนี้บางทีมันไม่ค่อยจะหวานหูหรอกแต่ว่าถ้ารุนแรงบางคราวแกเวลาโตแกนึกออกอย่างอาจารย์ที่เอาเข้มงวดกับลูกศิษย์จริงๆนะฮะอย่างพวกครูที่เข้มงวดจริงๆถึงคราวเขี่ยนเคี่ยนคราวลงโทษลงโทษอะไรแนตะ่ไหนอีตอนเรียนอยู่ในโรงเรียนแกไม่ชอบหน้าแล้วแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่แกคิดถึงมากที่สุดคือครูคนนั้นนะ่ยคนที่เคยลงโทษเคียนตีแกอย่างแรงๆเวลาแกทําผิด รู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ก็เพราะเพราะครูคนนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันบางทีที่ททดุดา่าแรงๆลูกอาจจะไม่ค่อยสำนึกเท่าไหร่หรอกตอนนั้นแกไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลคือ ย, ยังมองโลกไม่ชัดนะ่ะคนเราไม่ต้องอยู่ภาคสนามเสียก่อนจึงมองอะไรได้ชัดอย่างพระเจ้าอาจาศัตรูที่แกแกพ่อไปขังแกไม่ได้มีวิ ญ, ญญาณพ่ออยู่เพราะแกไม่เคยเป็นพ่อ แต่พอดีพอได้ลูกวันนั้นกับพ่อสิ้นประชววันนั้นที่วงโคดวันนั้นท่านได้ความรักรู้สึกวิญญาณพ่อมันเกิดแล้วก็นึกถึงวิญญาณของพระเจ้าพิมพิสารที่มีรักแก่มีความรักต่อแก่ก็รับสั่งถามหาอย่างที่เคยเล่าให้อีกฟังแต่พอดีก็พ่อกับที่วงโคดไปก่อนนี่บางทีมันก็ต้องรอเวลาหน่อยนะฮะต้องรอเวลาซึ่งก็ไม่ใช่ทุกกรณีไปบางกรณีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คําหยาบอะไร ใช้หลักเหตุผลแนะนำชี้แจงในทางที่เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็เป็นดีที่สุดในกรณีที่จําเป็นเจ้าเท่านั้นนะฮะจึงจะใช้ถอยคำหนักเรียกว่าบางครั้งมันก็ต้องลงค้อนใหญ่ซะก่อนแต่เป็นการตีเหล็กเพื่อให้มีค่าเคิดข้อต่อไปนั้นเป็นอัถจริยาแปลว่าประพฤติประโยชน์หรือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มีลักษณะเกื้อกูลกันซึ่งการประพฤติประโยชน์หรือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น <c oughs> เจนได้ ว, ว่าเมื่อเรากล่าวโดยสรุปก็คือการประพฤติที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันและกันคือระหว่างบุคคลต่อ บ, บุคคลอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่อีกฝ่ายหนึ่งเราก็ประพฤติกระทําให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นอย่างในชั้นของวินัยที่ละเอียด ก็ไม่ละเอียดนักลรอฮะวินัยพระเราเนี่ยเช่นองค์หนึ่งกำลังท่องหนังสือองค์หนึ่งจะไปชวนคุยไม่ได้ผิดอับบัติต้องอาบัตรเลยห้ามไม่ให้ไปชวนคุยเพราะอะไรเพราะเป็นการทำลายประโยชน์เขาการทำลายประโยชน์เขาหรือว่าไปพูดแล้วเขาเกิดท้อถอยเกิดเสียผลประโยชน์ที่เขาจะได้เป็นการผิดแล้วก็ปรับเป็นอาบัตแต่ชาวบ้านไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะ เจ้าบ้านไม่ได้ไปปรับอะไรรุนแรงขนาดนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าไอ้การใดที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาแล้วก็ประพฤติกระทําสิ่งเหล่านั้นในกรณีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันน่ะก็วิเคราะห์ตัดสินเราได้ง่ายๆสรุปว่าประเด็นในการตัดสินก็ง่ายอย่างที่เคยกล่าวอยู่เสมอนะฮะพระพุทธเจ้าได้รับสั่งมาอย่างนั้นด้วยคือเขาไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนตนนะคือบางอย่างเนี่ยเบียดเบียนเฉพาะคนอื่นแต่ไม่เบียดเบียนเราบางอย่างนี่เบียดเบียนทั้งเราทั้งคนอื่นจึงทรงจําแนกแสดงคล้ายๆกับฟังเอ๊ะทำไมมันซ้ํานะไม่ทําตนเองให้เดือดร้อนไม่ทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ทําให้ตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนคนอื่นเขาไม่เดือดร้อน ซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดาเป็นความสํานึกที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลเป็นความเสียสละเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเนี้ยอย่างอย่างเรื่องขยะเนี่ยฮะขยะในบ้านในเมืองเราเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็อยู่เบื้องหลังเรียกว่าโลกลืมนะฮะก็คือคนที่กวาดขยะไอ้คนนักทิ้งก็ทิ้งกันสะบัดเลยขยะเกลื่อนไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าคนเรามีความสํานึกคือเห็นอกเห็นใจเขา คือไม่ได้คิดว่าเราเสียภาษีแล้วเป็นเรื่องของกรทมจะต้องรับผิดชอบในไอ้ขยะสะกปรกรุงรังมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือเอาจ้างคนกรุงเทพมาช่วยกวาดขยะทั้งหมดมันก็ให้เรียบร้อยไม่ได้นอกจากว่าช่วยกัน ร, รับผิดชอบเช่นว่าเมื่อยังไม่มีที่ทิ้งขยะก็ใส่อะไรไปก่อนใส่ถุงใส่กระเป๋าไปก่อนถึงที่ทิ้งขยะก็ช่วยกันทิ้งนี่มันก็เป็นการประพฤติจริงที่เป็นประโยชน์ เรื่องง่ายๆธรรมดาเนี่ยก็เดินไปเห็นเศษแก้วแตกอยู่หรอประเดี๋ยวเด็กวิ่งเท้าปเปล่าจะมาเหยียบเอาก็เก็บไปทิ้งในที่ถิ่งไอ้ที่ถังขยะเทีนหรือว่าอะไรที่เป็นของคนอื่นเป็นประโยชน์แก่บุคบุคลอื่นช่วยดูแลบ้านเพื่อนมาอยู่บ้านช่วยเฝ้าบ้านให้ช่วยดูให้คือเรื่องเรื่องง่ายมากเลยเรื่องประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันข้อสําคัญว่า พร้อมที่จะทําทหรือเปล่าส่วนมากจะต้องเกิดจากความสํานึกดีสํานึกชอบคือเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปมองเงื่อนไขภ า, ายนอกไม่ต้องมองว่าเออมันมีคนมาลงข่าวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะกวาดขยะ ก, ก, ออกทมจักทีรอเอรรอช่างภาพพอเอทีวีมาคอนมาถ่ายภาพมายืนเตะท่าถ่ายกล้องหน่อยล ก, กล้องหน่อยแล้วกว็กวาดตรงสามกรากแล้วก็ลุกขึ้นกลับบ้านอันนี้ใช่อย่างี้ยนฮะมันไม่จําเป็น เป็นเรื่องความสำนึกดีสำนึกชอบที่เราจะทำอะไรเมื่ อ, อไรที่ไหนก็ได้ง่ายๆนะฮะอย่างอย่างบางสมเด็จพระสังฆราชวัดมะกรูดนี่ถ้าเป็นคนรักความสะอาดเรียบร้อยขนาดไปญี่ปุ่นนาะยเห็นขยะตรงกลางถ น, นนะหยิบก้มหยิบเลขาต้องคอยกระตุกเรื่อยก็หยิบไปใส่ที่ทิ้งขยะท่านเห็นไม่ได้ท่านเดินกลางถนนเดินในวัดไปวัดไหนก็เหมือนกันท่านเป็นอย่างนั้นปกติวิสัยเลยปกติวิสัยแลกกระโถนนี่ไม่ให้ชิ้งกระดาษ ท่านบอกกระถวนไม่จะทีทิท้งกระดาษกระถ у นก็ทำดีสะอาดเป็นคนเรียบร้อยมีระเบียบมากนี่ก็ทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเวลาท่านทำข้าวไอคนอื่นก็กระดาษไม่กล้าทำก็ช่วยกัน ร, รักษาก็เกิดเป็นความระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาอัาจรรยาจึงมีการปฏิบัติได้ในมันกว้างขวางได้เกิน ฟังฝังเลยเกินอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยนะตามปกติแล้วก็จะเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยสิ่งนั้นก็ควรประพฤติได้ในการทุกเมื่อเนละบางทีก็มันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์แต่อาจจะคนบางพวกอาจจะรู้สึกขัดแยง้งในกรณีนี้เราต้องคิดถึงตัวประโยชน์เอาไว้เพราะถ้าหากว่าจะคิดให้คนยอมรับทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครทําอะไรได้เลย จะต้องมีคนคัดค้านมีคนขัดแยง้งท่านทั้งหลายได้ฟังพระราชดำ ร, ร, รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหวันที่สี่หรือเปล่ามาอัตเทภะไว้หรือเราฟังถึงประโยคที่ท่านรับสั่งว่าเราขาดราชการมาสามเดือนกว่าถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องออกแต่ว่านี่ก็ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทั้งหลายอย่าให้ออกเรามาสะอึกได้ฟังแล้วก็ลุกขึ้นอัดเทภเอาไว้ก็ทําให้เราเห็นว่า แม้แต่ขนาดในหลวงของเราเนี่ยยังมีคนไปจุ่นจ้านกับท่านท่านสังเกตรประโยคไร้อไม่ฮะประโยคที่ท่านพูดถึงคำว่าธนาคารโคกระเบืออีกฝ่าหนึ่งคัดค้าน่ไม่ถูกต้องตามหลักในรุกติศาสตร์อันนี้ไอ้พวกนักวิชาเกินทั้งหลายนะฮะอีกพวกหนึ่งนั่นก็พวกสารแนคัดค้านคือไม่ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ดีไปหมดขอให้ได้ค้านกันแล้วกันใครทาอะไรขอให้ฉันได้ค้านหน่อยกันแล้วกัน ยันแสดงความเป็นปราดขึ้นมาไอ้พวกนี้ไม่มีทางนะฮะเราทําอะไรนี่จะต้องถูกคัดค้านอยู่ตลอดลแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นประโยชน์แล้วทําเลยไม่ต้องไปสนใจพวกเหล่านี้เราเรียกอะไรนะโบราณเรียกปากหูปกักอะไรปากปูปากห อ, อยปากปูอะไรคือไม่ต้องไปสนใจมันเพราะถ้าเราจะไปติดอยู่กับเงื่อนไขที่คนอื่นเขากําหนดที่เขาว่าเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับทั้งหมดแล้วเราเร า, เราจึงจะไปทําสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทํา ก็ขนาดพระพุทธเจ้าจะสรู้ปฏิเทศสั่งสอนคนก็มันแซวอยู่ตลอดคนที่คอยขัดขวางคนเบียดเบียนคอยใส่ร้ายคอยบิดเบือนคอยโจมตีอยู่แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นคือเป็นประโยชน์พระองค์ก็ทำประเด็นนี้จะพูดถึงแง่มันมากมันมากแต่ในแง่การประโัตน์จะมีเงื่อนไขแยอะหว่าเงื่อนไขต่างๆแย่แต่ว่าการประพฤติประโยชน์มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ อย่าเป็นคนโง่ขยันนะอันตรายบางทีมันกลายเป็นเป็นปัญหาคือทำประโยชน์แล้วแทนที่มันจะเกิดประโยชน์มันก็กลับเป็นปัญหาเป็นการมองมองปัญหาจําเป็นจะต้องชัดซึ่งพระบรมราโชวาทก็พระราชดำรัสนะฮะก็ไม่ถึงพระบรมราโชวาทก็เล่ า, เ ล, าเล่าให้ฟังไปเรื่อยวันนั้นนะมีประเด็นที่ที่เห็นและมาประทับใจมากก็คือที่ทรงมองอะไรตลอดสายแบบปัจจยาการนะฮะแบบปฏิจจสมุปบาท ในหลวงมองตลอดสายมองจากรับบริจาคโคที่โรงค่าซื้อโคจากโรงค่าสาตัตว์ไปึงถึงชาวนามองทุกขั้นตอนแล้ววิเคราะห์ให้เห็นได้ทุกขั้นตอนนี่คือคมมากเลยนะฮะพอดีมานึกจะ ก, กร้องให้องการสมาคมไหนเขาลอกมาพิมพ์เมื่อวานเนี่ยก็ไปได้สยามรัฐสบดาวิจารณ์เขาลอกมาแล้วเราจะเห็นว่าการมองประโยชน์เนี่ยมันต้องมองได้ตลอดสาย ว่ามันจะเกิดมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายกตัวอย่างที่พระอาจารยรัตในวันนั้นนะครคือเรานึกว่าจะซื้อโคกระบือเพื่อประเด็นหลักจริงๆมันอยู่ที่ไหนคือช่วยชาวนานนะประเด็นหลักไม่ใช่ถ่ายชีวิตนะประเด็นหลักอยู่ที่ช่วยชาวนานเพื่อให้ชาวนานที่ไม่มีโคกระบือสมัครถ่านาได้ถ่ายน า, น า, ยนานแต่เราลืมนึกไปว่าอาการเหมากวาดซื้ออย่างนั้นเนี่ยไอ้โคบางตัวมันถยนานไม่เป็นนะฮะ ก็บางตัวเ น, นี่ยไถนาไม่เป็นพวกโคโกงนี่มีเยอะเลยโคขุงฟูบางทีมันไถนาได้ไม่กี่ตัวนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ที่เขาจะคิดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าทรงทรงเสนอแนะให้คิดนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเลี้ยงว่าที่เลี้ยงโคที่ว่าที่รัฐสั่งว่าอะไรจังหวัดหนึ่งมีโคอยู่ร้อยตัวมีโครกระบืออยู่ร้อยตัวให้จังหวัดรับผิดชอบจังหวัดละร้อยตัวนั่นรัฐสั่งว่าพูดง่ายทํายาก เพราะเพราะเราไม่นึกว่าโคมันต้องกินจญ้ากินน้าต้องมีที่อยู่มีอาหารมีคนเลี้ยงมีคนรักษาอุ้มรันสารพัดอะองค์ประกอบอื่นๆนีน่มันสารพัดเลยแล้วสมมติเราไปถึงปลายทางเนี่ยถ้าเราเหมาหลว ก, กวาดไปอย่างนั้นไอ้เจอโคตัวที่มันไถานามไม่เป็นอนะทงไงจะนาจะขายก็ไม่ได้มันไม่ได้เชิงให้จริงๆนี่นะไอ้เชิงให้จริงๆแบบกึ่งให้กึ่งเช่าอะไรต่อ แกก็ไม่รู้จะทํายังไงในขณะเดียวกันแกก็ต้องหาหา้าให้กินต้องมีคนเลี้ยงต้องมีที่อยู่ต้องมีการสงไฟสิ้นเปลืองเงินทองเยอะแยะแต่ครัวใช้างานอะไรไม่ได้ครัใช้างานอะไรไม่ได้แล้วแกแทนที่จะรวยขึ้นมันเตี้ยลงนะรายจ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นก็ในในที่สุดที่รับสั่งคำถามว่าพอหนักขึ้ยิงก็เลยไปวางแฝงเอาคนอื่นก็มาขโมยครัวมาแก๊งมันต้องออกมาอย่า ง, ง น, นั้นนะ มันต้องออกมาอย่างนั้นนี่เพราะพระองค์นั้นอยู่ภาคสนามคืออยู่ภาคสนามต้องอกปัญหาชัดตลอดเลยจากจุดเริ่มออกเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางเราจะเห็นว่าเป้าที่เราเล็งไว้นั้นไม่ค่อยเข้าเป้านะไม่ค่อยเข้าเป้าถ้าจะเหมาโลกวาดไปจากโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดแล้วไปถึงมือคนทํานาหรือคนรับเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการการประพฤติประโยชน์จะต้องเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นประโยชน์จริงๆ จ, ง จ, งจึงประพฤติจึงกระทำลงไปไม่ได้มีลักษณะแบบคนลงโง่ขยันอย่างนิทานทศมนตรีที่เขาเล่าไอ้ลูกชายพ่อทางานมาแรงวันมาไอ้เกาะที่ศีรษะพ่อพ่อบอกให้ลูกชายมันช่วยไล่แกก็มึงยุ่งอยู่ลูกชายไล่แล้วอไรอีกมันไม่ยอมไปสักทีหนึ่ง ด, ดีมาแรงวันมาเกาะ อ, อยู่นานมาเห็นว่าตรงนี้เอาให้จําหนักเลยจับขวานจามโกรงไปเลยคิดจะฝันในแมลงวันมันตาย ตัวนั้นไดยพ่อตายเรียบร้อยนี่คือคนประพฤติประโยชน์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ทํำยังไงตัวนี้เป็นตัวยุ่งที่สุดนะฮะตัวยุ่งแล้วก็ยากแต่ว่าทําได้กระจายปัญหาว่าทําแล้วมันเกิดประโยชน์หรือไม่นี้คืออีกเรื่องหนึ่งซึ่งบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าอย่างในบ้านในเมืองเราที่ป่าถูกทําลายไปมาก อันนี้มาเคยพูดมาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดเลยเคยรณรงค์ต่อต้านมาเนี่ยเพราะว่านี้คุณทําอะไรกันกันเนี่ยคุณจะหวานข้าวคุณจะปลูกข้าวสองไร่คุณค้นต้นไม้ไปตั้งกี่สิบต้นไอ้ต้นไม้เราเนี่ยคุณค้นมาต้นเดียวคุณส่งข้าวลงเรืยแล้วเอาขายเนี่ยเอาแล้วไปซื้อข้าวสารเนี่ยมันได้มากกว่าที่คุณทํานาหรือทำไปนะเนี่ยคือเราเราไม่ได้คิดเรานึกจะทําำทำทำท ำ, ท ำ, ทำว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าที่ไปไปทางป่าทั้งสองสามไร่ ต้นไม้หมดไปตั้งเก้าต้นยีต้นหรืออย่างน้อยสีหต้นเนี่ยมันราคาไม้นั้นแหะทำเป็นซุงเอามาขายเอมาเลื่อยขายหรือทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเครื่องเรือนนะเอาขนาดเครื่องเรือนไม่เฟอร์นิเจอร์หรอกมันก็ขายได้ซื้อข้าสารมากกว่าที่เขาถางป่าไปทํานาเลยแต่คนไม่ได้คิดเพราะงั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่มีปัญหาในเชิงการปฏิบัตินะั้นปฏิบัติได้กระจายนะแต่ว่าปฏิบัติไปแล้วว่าต้องดูถึงผลคือมองให้ตลอดสาย อย่ามองในแง่ใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะมุ่งที่จะทํางานโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยถ้าเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเราต้องเล็งเล็งที่จุดปลายได้เพราะปลายมันจะออกผลมาอย่างไงไม่จช่ว่าคิดจะทําตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วฉันก็ทำกันก็กลายเป็นบางทีนี้ไม่ได้ประโยชน์หรือบางทีเสียประโยชน์และอาจจะทําลายประโยชน์ก็ได้ข้อนี้จึงเป็นเรื่องที่อะไร จะต้องอสสาศัยเหตุผลอสสาศัยปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณานะฮะแล้วก็แยกให้ออกว่าตัวอะไรเป็นประโยชน์หลักตัวอะไรเป็นองค์ประกอบซึ่งบางทีองค์ประกอบมัน ก, ก็ตัดตัดได้อย่างในชั้นของเลิกผานาทีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตัวประโยชน์มันเป็นเรื่องของประโยชน์เนเราเราจะทํางานเราจะเห็นว่าผลงานนั้นคือตัวประโยชน์ ไอองประกอบต่างๆเรื <consistency> year, ่องผ้านาทีเวลาการเจิมกันชัดน้ำมนต์นั้นประกอบมีไม่มีก็ได้พอชัดน้ามนต์แล้วไม่มีบ้านสะตั้งอย่างในชั้นของเรื่องผ้านาทีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาตัวประโยชน์มันเป็นเรื่องของประโยชน์ทีเราเราจะทํางานเราจะเห็นว่าผลงานนั้นคือตัวประโยชน์ไอองค์ประกอบต่างๆเรื่องผ้านาทีเวลาการเจิมกันชัดน้ํามนต์นั้นประกอบมีไม่มีก็ได้ ไปซัดน้ามนแล้วไม่มีบ้านสตางยังไม่ครบจะสร้างบ้านหรือว่าวางทิลาเริกแล้วไม่มีอะไรจะสร้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเอาศิลาไปแช่ดินเอาแวงจึงทรงใช้คำว่าให้ประพฤติประโยชน์โดยรู้จักว่าอะไรเป็นตัวประโยชน์และอย่าประพฤติประโยชน์แก่คนที่ไม่รู้จักประโยชน์หมายความว่าการให้อะไรการตรงเคราะอะไรแก่ใครนะอย่างที่โบราณนั้นว่าอะไร ยื่นมณีมีค่ายว่านอนดูเสก่อนนะจึงคิดปิดทองเปลวนี่ก็คืออัตจริยาอย่างหนึ่งแต่มันให้ไปทําไมล่ะให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่นะหรือว่าไอปิดทองก็เหมือนกันมันก็ดูเสก่อนนะจึงคิดปิดทองเปลวไม่ใช่วันนึกว่าฉันจะไปปิดทองแล้วก็ปิดเรื่อยไปปิดตรงไหนก็ปิดเรื่อยไปมันก็ต้องดูที่ปิดแล้วปิดแล้วมันต้องได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างเองที่ปิดตรงนี้สรุปแล้วว่าต้องใช้วิเคราะห์เยอะนะฮะ ต้องใช้วิเคราะห์ต้องนึกถึงเหตุถึงผลจะ้ะซึ่งเราจะเห็นว่างานการบางอย่างที่เราทําบางคราวนะฮะมันไม่ได้ประโยชน์คุ้มกับทุนที่เราลงไปคุ้มกับคุ้มกับทุนที่ที่เราลงไปยังยังแม้แต่นี้ฮะทางบ้านเมืองเองอย่างถนนสายหนึ่งที่แยกจากสุราษฎร์ผ่านมาเข้าไปทางทุ่งสงน ะ, ะถ้าในแง่ของ การคมนาคมอะไรตเวอาไรมันก็ดีแต่ไม่มคุ้มค่าเลยนะนา น, น, นรถจะผ่านสักสักทีหนึ่งก็ราอเพราะเป็นผ่านแดนผู้ก่ อ, อการร้ายถนนวิ่งสบายมากเลยไม่ต้องกลัวรถสวนนะแต่ก็ก็กลัวคอมมนิสต์กันอันนี้ในแง่สำหรับยุคสมัยเนี่ยมันก็มีผลในด้านจิตวิทยาแต่ว่าผลในทางเศรษฐกิจเราถือว่าเป็นการขาดทุนเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุน ผลทางจิตวิทยามันก็มีนะฮะมีว่าเราก็สร้างสารรค์พัฒนาไปในป่าในดงในผลทางการเมืองก็สูงแต่ว่าผลทางเศรษฐกิจนี่ถือว่าไม่ได้ผลดังนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าระบบการทํางานต่างๆเขาจึงเพ่งเล็งไปคือบุกลบคุณหารกันนะทั้งได้ทั้งเสียอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากก็ทําไปถ้าเป็นประโยชน์น้อยก็ไม่ทําซึ่งบางทีก็ไม่แน่นะฮะบางทีก็ <laughs> คือประโยชน์ส่วนรวมกลายเป็นประโยชน์ตนมันก็มีเหมือนกัน แต่สรุปว่าในชั้นของการปฏิบัตินี้ก็มองในแง่ประโยชน์สองด้านคือประโยชน์ที่ระวังบุคคลต่อบุคคลกับระวังบุคคลต่อสังคมอันเป็นส่วนรวมอัธเจริยาเหล่านี้จึงเป็นหลักหลักใหญ่แม้ตัวศาสนาเองนะฮะก็มุ่งไปที่ประโยชน์เราจะเราจะพบคําบาลีที่ว่าอัฏฐะเนี่ยอัฏฐะหรืออัฏฐาหิตายะ การทำบุญอะไรก็เหมือนการนะเห็นไหมฮอัถายะอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบางทีงก็ต้องทําแล้วต้องดูนะเพราะเกิดประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ทำเพราะต้องประพฤติต้องกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยจึงต้องอาศัยความฉลาดในประโยชน์บางทีนั้นเราจะเห็นว่า สิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ในที่หนึ่งในกาลหนึ่งในโอกาสหนึ่งแต่บางทีในโอกาสหนึ่ ง, ง, งมันกลายเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์เงื่อนไขจึงมีอยู่เยะการอาศัยปัญญาการวิเคราะห์ตรวจสอบการพินิจพิจารณาจึงถือว่าเป็นหลักในการประพฤติประโยชน์อย่างนี้ฮะอย่างอย่างในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อวานเนีมาอบรมพระข้างล่างบางเวลานี้เนี่เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้านะจนทันหลังให้กับพระพุทธเจ้าไปแล้ว ว่าไราว่าระบบของคณะสงฆ์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มที่ศึกษาก่อนนะศึกษาแล้วเผยแผ่แล้วก็ปกครองแล้วก็ก่อสร้างเรีกสาธานณุรการให้ก่อสร้างปัจจุบันนี้เราก่อสร้างเราก่อสร้างนําอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปกครองศึกษาเผยแผ่นี่ปล่อยตามสบายนะฮะใครจะทําไม่ทําก็แล้วแต่ต่างองค์ต่างก็ทํามันสวนทางพระพุทธเจ้าดังปังเลยนะ จึงจะต้องแก้ไขเมื่อคืนก็คุยกันดึกเลยกับผู้ใหญ่ว่าเราจะต้องหาทางแก้ไขเพราะเราสวนทางพระพุทธเจ้าแล้วเรานึกดูนะครับพระเจ้าเผยแผ่จนได้สาวก60รูปก่อนแล้วจึงเริ่มเออไม่ใช่ศึกษาศึกษาคือให้มีการศึกษาจนได้สาวกครบ60รูปแล้วก็เริ่มงานเผยแผ่งานปกครองในเรื่องง่ายนะคนศึกษาดีแล้วเผยแผ่เป็นแล้วปกครองง่ายจะตาย การก่อสร้างนั้นไม่ค่อยมีความหมายปัจจุบันเราเล่นการก่อสร้างกันเล่นพระใหญ่เล่นตึกใหญ่เล่นใจดีใหญ่เล่นอะไรใหญ่ๆกันนะจนบางทีสร้างแล้วก็มีหนูมีข้างค่าวมีปลวกมีอะไรตรออะไรอยู่กันก็วัดมีพระเก่าองค์สิบองค์อาคารนั้เบลล์ร่มใครจะไปรักษาได้เอาก็จริงๆนี่ทุกองค์ช่วยกันกว่าขายะก็ครึ่งวันนะไม่หมดอ่ะยังไม่พอเลยเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่คุ้มค่าไม่ได้ประโยชน์ สิ่งเหล่านั้นถ้าเอาไปแปลงแปสภาพเป็นอย่างอื่นมก็เกิดประโยชน์แต่ไปทําข้าวไม่เกิดประโยชน์อย่างที่อาณาเคยไปเ้าที่บนไปพูดที่จังหวัดนครสวรรค์เขาสร้างการเรียนใหญ่มากอยู่คนเราสักสองพันแต่วัดนั้นอยู่ริมภูเขามีหมู่บ้านประชาชนสักไม่ถึงร้อยลังคาเรือนถามว่านี่ท่านสร้างมาอะไรแกบอกโอ่าวันสงกรานนะ คนล้นเลยนะต้องกลางเต้นนะแต่ถามวันอื่นนะ่ะแต่วันอื่นก็9ก้าคนยี่บคนก็พอแนละพราะว่ท่านท่านสร้างการประเรียนเพื่อใช้ปีหนึ่งวันเดียวเท่านั้นเองอนะ่ะนี่ราคาเท่าไรตั้งสีห้าล้านถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอาสร้างสักหนึ่งล้านละอีกสี่ล้านมจะฝากแบงค์ข้าแล้วก็จับลูกคนจนมาบวชมาสอนหนังสือมามีทำอะไรทีมันเป็นประโยชน์มากกว่า ตั้งแต่วันนั้นนะแกก็ไม่ไนิมนต์นามาอีกเลยก็ศรัท ธ, ธ, ธ, ธามากศรัทธามากเกินเลยไม่นิมนต์อีกก็เนี้ยฮะก็เราจะเห็นว่ามันมันมันมันไม่เป็นประโยชน์อะ่ะก็สร้างอะไรก็เบ่งบารมีมาอวดกันว่าัดเรามีการาเรียนใหญ่จะมีพระสิกว่ารูปแล้วมันได้อะไรกันนะเพราะในการประพฤติประโยชน์นี่เป็นเรื่องละเอียดละเอียดมากเราต้องมองให้ตลอดสายยังมองแบบในหลวงมองเนี้ยไอามายังอยากจะท่าไม่ได้ฟังแล้วให้ไปอ่านสยามรัฐตบดวิจารณ์ แล้วคิดตามไปนะฮะคิดตามไปว่าในหลวมนี้ท่านมองปัญหาแบบคนอยู่ภาคสนามตลอดลมองได้ชัดมากแล้วหลายประเด็นด้วยเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเอามาอ่านดูแนละมาอาธธัดเทปเอาไว้เดี๋ยเสียดายขาดไปสักสองนาทีสามนาทีตอนต้นทีนี้ข้อต่อไปนั้นก็คือสมานัตตาได้คานี้ออกจากอธิบายยากสมานัตตาคือวางตนเสมอ วางตนเสมอก็มีตนเสมอก็แบ่งออกเป็นสองอย่างเหมือนกันนะฮะอย่างหนึ่งก็คือเหมาะสมแก่ฐานะแก่ภาวะของตนเรียกวางตนเสมอคือเหมาะสมนั่นเองอีกในยะาหนึ่งท่งานใช้คาว่าสัญญาคือการกำหนดหมายหรือความสำนึกเชนเราสำนึกว่าเป็นพ่อแม่ก็วางตนให้เหมาะสมแก่ความเป็นพ่อแม่ เป็นเพื่อนก็วางตัวเป็นเหมาะสมแก่ความเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามคือหมายความมันเหมาะสมแก่ฐานะแก่ภาวะที่เราเป็นอยู่นี่เรียกว่าสมานัตตาคือมีตนเสมอโดยในย่าหนึง่งอีกในย่าหนึ่งก็คือการเกี่ยวข้องคบหากับบุคคลอื่นเพราะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสังคมนะฮะเป็นศินละปะในการครองใจคนอย่างหนึง่ง คือบางตนเป็นคนสม่ำเสมอไม่ย่อหยิ่งไม่ถือตัวไม่สามวันดีสี่วันร้ายไม่อารมณ์ขึ้น ข, นขนลงลงนะฮะเป็นคนที่เอาใจยากเข้าใจยากก็เช่นว่าเคยเป็นเพื่อนกันก็คือเพื่อนกันเพื่อนก็คือเพื่อนญาติก็คือญาติแม้ฐานะอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไอ้ความผูกพันกันเนี่ยความผูกกันชันญาติชั น, ชนเพื่อนชั้นลูกศิษย์ชันอาจารย์อะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลง แต่ทีนี้สมมุติว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เสมอต้องเหมาะสมด้วยนะเราฐานะสมมุติเราเพื่อนเราอยู่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่แต่ เ, เราจะใช้ความเป็นเพื่อนไปเล่นไปหัวไปหยอกเอินกลางสาธารณะชนมันก็ไม่ได้อันนั้นอะไรคือมันไม่เหมาะสมมันเป็นความไม่เหมาะสมบางทีก็ ในในที่อยู่กันสองต่อสองหรือว่ามีกันไม่กี่คนในหมู่พวกโดยการอาจจะเล่นหัวอะไรอะไรกันได้แต่ว่าในฐานะหนึ่งในโอกาสหนึ่งเพื่อนเราอยู่ในฐานะในตำแหน่งที่ใหญ่ที่สูงเราก็ต้องยอมรับเขายกย่องเดชูเขาเมื่อรู้สึกจะสองปีมาแล้วต่มาเคยเล่าให้ฟังว่ากำนันคนหนึ่งนะฮะแกรู้จักกับคุณพ่วงส่วนรนะรู้สึกว่าแกแกเคยอุปการะคุณพ่วงมานะ พวงส่วนในรัฐประหลักกระทรวงมหาทไทยคนเกาะนานแล้วคือแกแกแย่มากเลยคนเกลียดเอาตั้งหลอดคุณพ่วงไปเป็นประหลัด ก, กระทรวงไปตรวจราชการนี่แกยังเรียกไอ้อะไรแล้วเรียกไอ้ยต่อหน้าคนด้วยนะก็เรียกไอ้ยต่อหน้าคนด้วยคุณพ่วงนั้นไม่แปลกฮะคือว่าแกเองเป็นคนมีสมาค ร, ราว่าอ่อนโยนมากแกไม่มีอะไรเลยแต่ลูกน้องไม่ชอบแล้วคนก็ตําหนิ ก, กันมากเลยบอกเนี่ยกำนันเนี่ไม่รู้จักเลย คือมันน่าจะไปพูดกันที่อื่นไม่น่าจะมาพูดอย่างนี้คือก็ที่ประชุมคนยเนยอะนีไปเรียกไอ้เฉยๆเลยแต่โกนด้วยจะเสียงดังด้วยนี่ก็มันขาดหลักสมานา ต, ตาตาคือวางตัวไม่เหมาะสมเพราะงั้นสมาณาตาตาจึงหมายความว่าวางตัวเสมอนะวางตัวเหมาะสมแก่ฐานะที่ที่เราเป็นหรือว่าเหมาะสมแก่ฐานะแก่โอกาสนั้นๆนะแต่ในด้านพื้นฐานจริงๆคือความรู้สึก ของเรานั้นที่มีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการปฏิบัติโอเออเฟือ e มาต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นนะฮะไอ้กาลเทศะบุคคลโอกาสชุมชนอะไรต่อไรเนี่ยฮะไม่มีลักษณะของการลืมตัวเราจะเห็นว่าไอ้จุดจุดแตกแยกที่ออกแก่สำคัญนั้นก็คือคือคือลืมความหลังนะฮะลืมความหลังกัน เห็นว่าเคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงพอใหญ่แล้วก็ไม่รู้จักเลยเมินเลยไม่ทักไม่ทายไม่ไม่คล้ายๆกับไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่คือจุดที่เป็นอันตรายเพราะงั้นถ้ามีการวางตนเหมาะสมนะฮะวางตนเหมาะสมแก่ฐานะที่ตนเป็นวางตนสม่ําเสมอคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็เคยรักเคยชอบเคยเป็นเพื่อนเป็นเป็นฝูงกันมาแม้อีกค่ายนึ่งแกตกตามเดือดร้อนยังไงก็ตามเราก็รักษา ความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้นี่ก็คือหลักสบานัต่างๆระวังตัวสมัครเสมอก็ดูเหมือนเคยเล่านิทานให้ฟังเรื่องนานมาแล้วเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่นิทานอนะเรื่องจริงอะเรื่องต่างอย่างแบบสมัยที่เขาเป็นขุนเป็นขุ น, เ ป, น, ขนเป็นหลวงกันอ่ะสมัยนั้นกำนันก็เป็นขุนมีผู้ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกำนันเก่าวตายลงก็ได้ได้เลื่อนขึ้นเป็นท่านขุนเป็นกำ น, นันไปถึงบ้านก็ตีกรอบ ตีเกราะประชุมลูกบ้านแต่เกราะสัญญาเนี่ยมันหมายความมันมีเรื่องชาวบ้านก็วิ่งถือมีดพระกทากวานกันมาไปถึงไม้ท่านขุนประกาศบอกให้ลูกบ้านทราบว่าเวลานี้ฉันเป็นท่านขุนแล้วลูกน้องก็ท้อใจเลยวิ่งมาเกือบตายเนี่ยมารู้เรื่องขนาดนั้นก็เสร็จแล้วก็คนเห็นว่าท่านชอบยอชอบขี้เคือก็อยู่กันอยู่พักหนึ่งนะคนหนึ่งก็กลับไป ตกกลางคืนไม่ใช่ตกกลางคืนเวลารับประทานอาหารเน่ยรับประทานอาหารพัญญาก็จัดแจงอาหารเข้ามาก็มารับประทานกันแล้วก็มีคนอื่นอยู่ด้วยพญญาก็นั่งจะรับประทานด้วยแหละแกบอกเฮ้ยไม่ได้ไอแกเป็รนราษฎรนะข้ามันเป็นกำนันจะรับประทานร่วมกันไม่ได้เมียก็งงๆป่ะเป็นเอาอมากเลยตั้งแต่มาถึงชักยุ่ง เลยแกก็ไม่ว่าอะไรเมียแกก็ดีกลับเข้าไปตัวเองก็เข้าไปรับประทานในครัวเสร็จแล้วก็มาจัดที่ทางให้เรียบร้อยนะฮะจัดล้างถ้วยโถกรชามเรียบร้อยแกก็ข้าวนอนเมียข้าหนอนโผล่ก็ยังนั่งคุยเป็นกำนันมาใหม่ๆพอเพื่อนกลับหมดก็ข้าวนอนพอโผล่ก็ไปตอนนั้นเนี่ยเมียยันโคลงตกมาเลยโผล่ก็อยากวายๆทำไมทำอย่างนั้นเอยว่าฉันเป็นราษฎดดร้วยคุณเป็นกำ น, นันนอนร่วมกันไม่ได้ คืนี้ก็เรีมันขาดสมานัตตามากไปหน่อยเป็นเป็นก็เรียกว่ามันมันก็มันก็เลยเถิดอะนะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมืถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือสมานัตตาเอไอการเสียสมานัตตามันก็คือเสียอย่างเนี้ยเสียอย่างนี้แต่อันนี้มันมันออกจะมากไปนะฮะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลักการทั้งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นหลักที่เราจะอยู่ร่วมกันภายในสังคม พระเจ้าทรงแสดงว่ามันเหมือนกับเพาเพลาของโลกะฮะเหมือนกับเพลาของรถที่จะเป็นยานพาณิชย์ น, นคนไปสู่สถานที่ตนมุ่งหมายได้ลักษณะาทางสังคมก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างฉนันมิตรอย่างสันติสุขอย่างเป็นพี่เป็นน้องเขาเรียกว่าสังคมแห่งพาราดรภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องไอจุดยึดเนียจริงๆนั้นมันต้องอาศัยหลักเหล่น เราจะเห็นว่าไม่ว่าใครจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามแต่หลักเหล่านี้คือคือจุดยึดเหนี่ยวทางใจที่จะก่อให้เกิดเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันได้ภายในสังคมแล้วส่งแสดงในรูปผลว่าถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้อยู่ภายในจิตใจแล้วเนี่ยไม่ต้องอื่นนะแม้แต่มารดาบิดาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับความนับถือรักใคร่บูชาจากลูกหรอก พ่อแม่ไม่มีการสงเคราะห์ อ, อะไรลูกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปิยาวาจากับลูกไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกไม่วางตนให้เหมาะสมกับลูกมันก็จบนั้นก็จบดังนั้นธรรมะเหล่านี้จึงเรียกได้หลายชื่อนะฮะเรียกว่าสังหะวัตถุคือวัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์ซึ่ง ก, กันและกันเรียกว่าเป็นพุทธวิธีคลองใจคนเรียกให้กระจุงกระจิมหน่อยปกศิละปะในการครองรักก็ได้ แต่หมายความว่ารักในลักษณะทางสังคมทั้งหมดอะ่ะคือทุกจุดของการอยู่ร่วมกันสำหรัวันนี้ก็จบพอดีแล้วก็จบประสูตคือสิงคาโลวาท่สูตรด้วยข อ, อยุติไว้ด้เวลาเพียทัทงนี้